ปวรพิจิตควรพิจารณาเนื้อเนือสิบอย่างแต่ถ้าเราฟังเนื้อหาแล้วบางทีเราก็สามารถทําได้เหมือนกันนะมันก็ไม่ใช่เรื่องแต่เฉพาะสาหรับนักบวชหรือว่าเรื่องของพระเท่านั้นถ้าเราลองเปลี่ยนแค่คําขึ้นต้นก็ได้นะจากควรพิจิตควรพิจารณาเ น, นื้อเนืสิบอย่างถาเธอลองดูว่าเธอถ้าเราเป็นผู้ปฏิบัติธรรมควรพิจารณาเนื้อเนืสิบอย่าง หนึ่งผู้ปฏิบัติธรรมควรพิจนารณาเนืนงๆว่าตอนนี้เราเป็นผู้ปฏิบัติธรรมแล้วอาการกิริยาใดๆของผู้ปฏิบัติธรรมเราควรทําอาการกิริยาดังนั้ น, น, น, น, นเราแตกต่างจแาบบกที่ว่าคนที่ไม่ได้ปฏิบัติธรรมแล้วหรือสอ ง, งผู้ปฏิบัติธรรมควรพิจนารณาเนือว่า อ, อันนั้นข้แรกเนาะ อาการกิรยิยาใดๆนะที่เรายัางที่เรายัางไม่สำรวจระวังแล้วก็ทำอาการกิรยิยา น, นั้นหรือที่สามก็การเี้ชีวิตของเราเนื่องด้วยผู้อื่นเราควรทำตัวให้เขาเรียบง่ายทาทีชีวิตของเราคิดว่าเราได้มาด้วยตัวของเราเองมีเงินซื้อหรือว่าทํา้วเองแต่ จ, จริงมันก็เนื่องด้วยชีวิตอื่นเช่นเดียวกันนะ เนื่องด้วยคนปลูกเนื่องด้วยคนเอามาส่งขายเนื่องด้วยธรรมชาติต่างๆมากมายหรือแม้แต่เราสามารถติดเตียนตัวของเราเองโดยสินจะเป็นศิลห้าสินแปดหรือสินที่เราเรียกว่าเป็นวินัยที่เราตั้งใจจะทำํำเพิ่มขึ้นได้หรือเปล่าแล้วก็สามารถทำได้เหมือนกันนะหรือมีกัลยาณมิตรผู้รู้ ที่เรียกว่าเจตนาดีแล้วนะรู้ดีแล้วจักเดือนเราโดยสิ้นโดยทาได้หรือไม่หรือว่าเราเห็นว่าการาพลาดคือเสียเป็นเป็นธรรมชาติหรือไม่เราเห็นว่ากรรมกนะรรมมันเกิดขึ้นเฉพาะตัวนะทําดีก็ได้ดีทํำชั่วก็ได้ชั่วมีกรรมเป็นผลพาไปอืมนะที่สําคัญเราเห็นคือเรา วันคืนร่วงไปร่วงไปวันนี้เราทําอะไรอยู่นะเรายินทีในที่สงบหรือไม่พื้นะพิเศษของเรามีอยู่หรือไม่นะถ้ามีคนมาถามจะได้ไม่กเก้อเขินในเวลาที่ได้ใช้ชีวิตอยู่นี้ได้มีอะไรพิเศษขึ้นมาหรือเปล่าในคุณธรรมต่างๆซึ่งสิ่งต่างๆนี้นะถ้าเราไม่เรียกว่าไม่จํากัดขอบแค่ว่ามันเป็นเรื่องของบัญชีคิด หรือเรื่องของตะเรื่องของคนอยู่วัดท่านั้นแต่ถ้าเราเอามาใช้ในชีวิตประจําวันของเราด้วยนะเราก็สามารถทําได้นะสำหรับผู้ที่ตั้งใจปฏิบททนะัติธรรมแต่ก็ไม่ใช่ไม่ใช่ว่าไปตีกอบตัวเองว่าอ่ามานถึงว่าสร้างภาพว่าควรจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แต่ถ้าเราเอาสิ่งเหล่านี้มาคอยตักเตืองเองบ่อยบ่อยว่าเออเราตั้งใจปฏิบททัติธรรมหรือว่าเราตั้งใจที่จะ หาทางออกจากความทุกข์หรือว่าตั้งใจที่จะทําชีวิตให้มันดีขึ้นมันก็ต้องมีการปรับปรุงมีการเปลี่ยนแปลงมีการพัฒนาหลายๆอย่างในชีวิตเพราะถ้าเราตรวจสอบแล้วว่าเออชีวิตที่มันผ่านมามันก็มีทั้งดีมีทั้งไม่ดีมีทั้งเรียกว่ า, าสุขสุขทุกทุกฝักฝนกันไปมันก็ต้องตรวจสอบแล้วว่า เหตุปัจจัยอะไรทําให้เกิดเป็นความสุขเหตปัจจัยอะไรทําให้เกิดเป็นความทุกข์ใช่ไหมหรือว่าวิถีชีวิตอย่างไรที่ทําไปแล้วมันกลับเพิ่มมันสร้างปัญหาหรือบางทีเราก็คิดจะแก้ปัญหาแต่ปัญหามันกลับเรียกว่าวนมันกลับลบลุงลามมากกว่เาเก่าคิดจะแก้ความทุกข์แต่กลับทุกข์มากกว่เาเก่าคิดจะแสแวงหาความสุขแต่ความสุขที่กไกล ตัวไปเรื่อยๆเราต้องคทบทวนตัว เ, เองว่าเราทำอะไรผิดพลาดไปในชีวิตสมาชิกว่าอหลายๆคนก็คงเริ่มจะเห็นแล้ว่าเออที่ผ่านมามันมีอะไรที่เป็นสิ่งบกพร่องในชีวิตของเราที่ผ่านมาในอะรคนชีวิตที่เป็นสิ่งที่ถูกทางในชีวิตของเราแล้วอันนี้เราก็คงตรวจสอบที่ตัวของเราเองนะให้เราตรวจสอบที่ตัวของเราเองถ้าเราตรวจสอบได้แล้วเราก็ ควาวนี้ก็เหลือแต่การที่จะปรับปรุงพัฒนาแก้ไขทำให้ดีที่ยิ่งขึ้นไปอรา น, นี้เป็นสิ่งที่ถ้าเราตรวจสอบก็จะทำได้เมื่อตอนต้นปีนได้ไปสอนทาที่ประเทศทีนก็มีนักปฏิบัติธรรมค น, นเขาเขาพูดแล้วก็มีคนแบบนี้ยังหลืออยู่ในโลกอยนะู่เนาะคนแบบนี้คือแบบไหน <c oughs> เขาบอกว่า <c oughs> แต่มาถ้าพิจารณาดีก็อาจจะมี เหลืออยู่ยอะอ ย, อยนะเขาบอกว่าเขาเคยทําธุรกิจแล้วก็ประสบปัญหาในธุรกิจนะต้องคล้ายๆขาดทุนไปประมาณสิบล้านหยวนสิบล้านหยวนก็อาจจะประมาณเกือบห้สิบล้านบาทของไทยนะเขาบอกเมื่อแปดปีที่แล้วก็าทำธุรกิจแล้วขาดทุนไปเรียกว่าเกือบหมดเนื้อหมดตัวนะไม่ถึงกับเป็นล้มละลายลไม่ถึงกับเป็นหนี้สินมากมายแต่แก็แนคะ่แบบหมดเนื้อหมดตัวนะ เหลือใช่นิดหน่อยจากคนที่มีฐานนะเป็นตัวเป็นสิบสิบล้านก็เหลือไม่ถึงล้านคนนะเหลือนิดหน่อยเขาบอกว่าตลอดชีวิตแปดปีที่ผ่านมาเนี่ยไม่เคยยิ้มไม่เคยยิ้มเลยตั้งแต่ขาดคืนมารู้สึกว่าชีวิตมันเรียกว่าไม่ประสบผลสําเร็จหรือว่าเป็นชีวิตที่เรียกว่าล้มเหลวแปดปีไม่เคยยิม้ม เอามาก็มันมีเป็นคนแบบนี้ด้วเนาะไม่เคยยิ้มเลยต่เอาความทุกข์ที่ทำํำผิดพลาด8ปีก็มาเรียกว่าไม่สามารถยิ้มได้เขาบอกนอนก็นอนไม่ได้ระับนนอนทีไร ล, งลงไม้มล้มตัวต้นอนเมื่อไหร่ก็คิดถึงแต่เรื่องเราล้มเลยเราพ่ายแพ้เราขาดทุนบอก8ปีเนี่ยเป็นชีวิตที่ทุกข์ทรมานมาก<อ>ก็พยายามที่จะแบบ หาทางออกจากความทุกข์แต่เขาบอกว่าเนี่ยเมื่อตอนปลายปีที่ผ่านมาเขาก็มาเคยเข้าคอรสก่อนะแต่ตอนนั้นเขายังไม่ได้พูดให้ฟังว่าเออเขาบอกว่าเมื่อปลายปีก่อนเนี่ยที่มาเขา้าคอสเขบอกเป็นการยิ้มครั้งแรกในชีวิตหลังจากแปดปีที่ประสบความล้มเหลวในในเรื่องธุรกิจเขาบอกเป็นการยิ้มครั้งแรกเขาบอกเออแล้วก็เขาบอ ก, อ ว, ก, ก, บอกว่าหลังจากนั้นก็ยิ้มได้มากขึ้นเรื่อยเรื่อยจนถึงต้นปีใหม่เขาก็มาเขา้าคอสคอสครั้งที่สองเขบอก คือก็เริ่มเห็นแล้วว่าที่จริงคล้ายคล้กดเพื่อชักนัทกที่มันติดตัวเองว่าเราเป็นผู้ล้มเหลวเราขาดทุนเงินเราหายไปสิบล้านนะมันเริ่มปลดตัวเองออกได้ว่าอดีตที่มันผ่านมาเมืมันผ่านไปแล้วไม่เราไม่สามารถกลับไปแก้ไขได้แต่เราสามารถค้นพบว่าปัจจุบันนี้เราสามารถที่จะยิ้มได้นะไม่จำเป็นต้องเอาความล้มเหลวในอดีตมาทําให้ต้องทน นะเขาก็เห็นตอนนี้เขาเออเขาจเกิดศรัทธาในการเห็นว่าเออการปฏิบัติธรรมนี่ช่วยให้การปล่อยหรือว่าปลดเรื่องสิงๆเคยผิดพลาดหรือว่าสิ่งที่เคยทุกข์ในนี้เขาจะคิตใจได้จริงๆนะเขาก็เห็นตอนนี้แล้วก็ก็ตั้งใจปฏิบัติธรรมมากขึ้นก็เห็นว่าเออจริงๆชีวิตมันก็มีความสุขมากมายในชีวิตนะมันไม่ว่าจะเป็นต้องไปทุกข์ก็เรื่องเดียวที่มันเคยทํา เป็นครๆเป็นผู้นำประทรวงในประเทศจีนก็ <c oughs> มีความเชื่อในด้านศาสนานึงขัดแย้งกับภารคการเมืองที่ปกครองประเทศจี น, ะ น, ะนะบายุรงันค้ามจได้ยินม <Okay. S 1> ันเขาศัทธาในตันฝ่าตรันขมแต่ก็ ตามปฏิธานที่ว่าอุดมการณ์ที่เองเชื่อได้นะบาสันโกลมเขาก็เชื่อแบบนั้ น, นเป็นผู้นำพาบรรทรกวังอะไรตา่างๆก็คิดอยากจะฆ่าตัวตายอะไรทั้งแต่เขาบอกว่าก็ยังแต่มีสิ่หนึ่งที่ตัวดึงเขาไว้ว่าแม่้เขาค่าตัวตายเต่อไปเรานับถือบาสันโกลมเพือ่ออะไรเพื่อเราต้องการที่จะดุคน้นโอกาสที่จะค้นจาความ เขาต้องมีความคิดตรงนี้แหละคือถ้าเราฆ่าตัวตายตอนนี้ชีวิตของเราก็ไม่ดุจคนติดชีวิตของเราก็ไม่ได้เรียกว่าไม่ได้ดิ้นวัดตัดสมการคือเขามีเป้าหมายของชีวิตเนี่ยเป็นเป็นตัวคอยดูคอยดังเขาไม่ให้เขาทำผิดพลาดครั้งละหนึ่ในชีวิตเขาก็บอกว่าเขาก็คนยอมทนออกจากทุกข์อยู่ในคุกข์แล้วก็ออกจากทุกมาก็พยายามแสวงหาวิธีปฏิบัติ เพื่อออกจากความทุกข์ไม่ได้นะเขาก็บอกว่ามาปฏิบัติธรรมแล้วก็เห็นว่าเออถ้าเขาค่าดตัวตายในตอนนั้นนะเขาก็คงไม่พบวิธีที่จะออกจากความทุกข์แต่ตอนนี้เขารู้แล้วว่ามีวิธีไหนที่จะออกจากความทุกข์ได้ความทุกข์ความทุกข์ที่มันขังอยู่ในจิตใจของเขามานา น, เ, นเขารู้แล้ว ว, ว่าวิธีไหนที่จะออกจากความทุกข์ได้ รู้แล้วว่าวิธีการแบบไหนที่จะให้ทำให้เขาพ้นว่าตัดสงสารให้ได้นะเขาบอกแค่นนคล้ายๆว่าเหมือนแต่ก่อนเขามีเป้าหมายในชีวิตที่จะพ้นทุกมีเป้าหมายชีวิตที่จะเรียกว่าตัดว่าัดตงสารแต่ก็ไม่เคยพบหนทางสักทีแต่ถ้าตอนนี้พอมาเริ่มเริ่มฝึกที่จะเรียนรู้ตัวเองเริ่มฝึกที่จะมีสติกับพ้นเขาเออนี่แหละคือคําตอบของชีวิตเขาเขาบอกว่านะชีวิตนี้จะมุ่งมั่นให้ถึงที่สุด ความทุกไม่ได้ในชาตินี้นะบนี่ยอายุก็เยอะและ้วประมาณหกสิบปีปกว่าแล้วนะเกือบเจ็ดสิบแต่ก็เป็นคนที่แบบตั้งใจมากนะเห็นเลยว่าเออนี่คือเป้าหมายของตัวเองแล้วก็ดูแล้ววิธีการที่จะเดินเป็นแบบไหนนะที่เหลือก็เหลือแต่ว่าตัวเองจะทําให้เต็มทีนะ่ให้มันถึงให้ได้ในชาตินี้เขาก็ตั้งใจแบบนนะั้นนี่ก็เป็นเรื่องที่ที่น่าสนใจนะมันก็มีประเด็น ประเด็นแรกอย่างคนแรกเนาะคือมีความทุกขนะ์มีความทุกข์แต่ไม่สามารถที่จะออกจากความทุกข์ได้เนะพราะไม่รูนะ้ไม่รู้ว่าจะออกจากความทุกข์อย่างไรนะพอมีวิธีการพอมีรูปแบบพอมีการกระทำก็เห็นว่ามันสามารถออกจากความทุกข์ได้นะไม่ยากเกินไปนะหรือแม้แต่คนที่สองนะพยายามที่จะหา มีเป้าหมายในการที่จะเรียกว่าออกจากความทุกข์หรือว่าให้ถึงนิพพานให้ได้นะแต่ก็หาหนทางมาหลายวิธีหาหนทางไม่เจอสักทีพอมาเจอหนทางค่อยรู้ว่าเออเนี่ยเป็นหนทางที่ออกจากความทุกข์ได้ <c oughs> แต่มาว่าก็เชื่อนนะพวกเราก็แทบทุกคนหรือว่าหลายๆคนก็ต้องการที่จะทําให้ชีวิตไม่ทุกขนะ์เนาะหรือใครอยากจะทุกข์ในชีวิตนี้ว่า <c oughs> พวกเราก็คงต้องการที่จะมีชีวิตที่ไม่ทุกข์ นะหรือว่าต้องการชีวิตที่จะมีความสุขนะความสุขที่เรียกว่ามันค่อนข้า ง, า ง, างยั่งยืนด้วยแบบนีบ้เราก็ต้องการสิ่งต่างต่าเหล่านี้ในชีวิตเนาะถ้าเราตอบตัวเองได้ว่าเออเนี่ยคือความต้องการของชีวิตเราหรือว่าเป็นเป้าหมายเป็นจุดหมายในชีวิตเราคราวนี้ก็เหลือแต่ว่าเราจะทํางไงอ่ะถึงจะทําให้เรียกว่าเป็นการดับทุกข์แก้ทุกขนะ์อย่างท้นเชิง อย่างที่พระอาจารย์ตุ้มบอกที่จริงพุทธเจ้านะพุทธเจ้าท่านท่านย้ำชัดนะว่าสิ่งที่ท่านสอนนัคือเรื่องทุกข์แล้วก็การดับทุกข์เท่านั้นแต่คนส่วนใหญ่มุ่งเน้นอีกอย่างนะึงคือว่าสแสวงหาความสุขน ะ, สะแสวงหาความสุขพยายามที่จะเอาความสุขเข้ามาในชีวิตให้ได้มากๆคล้ายๆชีวิตเราค่องมาไป็สักอย่างหรือว่าค่องหลายๆอย่างนะก็เลยเติมเต็มสิ่งที่มันคล่องในชีวิต เติมจากอะไรบ้างเติมจากเงินจากทองบ้างนะคิดว่าถ้ามีเงินมีทองมากๆจะทําให้ชีวิตมันเต็มมากขึ้นมีชื่อเสียงเกียรติยศมากๆนะก็จะทำให้ชีวิตมันเต็มมากขึ้ น, นะ ห, น, มมนหรือแม้แต่บางทีเราก็พ่องในการไปหาหาคนรักหาอะไรต่างๆมาเติมเต็มคิดว่าถ้ามีเขาแล้วจะทําให้ชีวิตเรามีความสุขมากขึ้นมันเต็มเข้าไปมากขึ้นเรื่อยๆนะ แต่เราก็เห็นว่าสิ่งต่างๆนี้ที่เราพยายามที่จะเติมเข้ามาเนี่ยมันไม่เคยเต็ม <c oughs> มันเหมือนกับมหาสมุทรที่ง ม, มีความหยาบมีความคล่องมากมายเติมเท่าไหร่ผ่งเท่าไหร่ก็ไม่เคยเต็มเท่าทีกลับยิ่งรู้สึกว่ามันหิวมากขึ้นเรื่อยๆนะเพราะว่าถ้าชีชวิตที่เรียกว่าสแสวงหาความสุขนะเดินตามความสุขแตถ่ถ้ามันยังไม่ใช่ความสุขที่แท้จริงนะมันเติมเท่าไหร่หาเท่าไหร่ก็กลับไม่พอนะ กับรู้สึกว่าขาดมากขึ้นเรื่อยเรื่อยแต่พระเจ้าท่านบอกว่าสิ่งที่ท่านทํานะท่านบอกว่าทำเช่ไหนการทําที่สุดแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้จะพึงมีแก่เราได้ก็คือว่าถ้านก็แค่เห็นว่าเราหาทางที่จะออกจากความทุกข์หาทางที่จะเรียกว่าเคลื่องความทุกข์นะหรือจะพูดง่ายง่ายคือว่าแทนที่จ ะ, สะแสวงหาความสุขเราก็สแสวงหาความทุกข์แล้วก็ดับความทุกข์นั้นไป นะสแสวงหาในที่นี้หมายถึงว่าให้รู้ว่าอะไรทําให้เกิดเป็นความทุกข์แก่กายแก่ใจของเรานะเราก็หาหนทางหาวิธีการที่จะทําให้ความทุกข์ออกไปนะจากกายจากใจก็แค่นั้นะนะก็กลับกันนิดหนึ่งไม่ใช่สแสดงหาความสุขแต่เพีเยงแต่ว่ารู้ว่าอะไรเกิดทุกข์ก็เอาความทุกข์นั้นออกไปวิธีการทําแบบนี้นะมันอาจจะไม่ใช่เป็นการเติมเต็มอะไรในะเข้าไปในชีวิตแต่เป็นคล้ายๆเป็นการ เอาสิ่งที่มันรบกุมดําออกไปจากชีวิตนะเอาสิ่งที่มันทําให้เกิดเป็นความทุกข์ออกไปจากชีวิตก็จะเห็นว่าเออที่จริงเพียงแค่เราเอาบางอย่างซึ่งเป็นตัวทําให้เกิดเป็นความทุกข์นี่แหละออกไปจากชีวิตชีวิตเราก็มีความสุขแล้วชีวิตมันก็คป็นสุขแล้วนะเช่นเราสังเกตเลยถ้าเรามีความหยากน้อยลงเนี่ยชีวิตเราก็เบามากขึ้นนะนะเอาง่มมายๆคือเมื่อถ้าเราต้องการลด พันใหม่ decoration. ถ้าเรามีความอยากมากอาจจะอยากได้รถราคาแพงเป็น10บล้านแต่เราความอยากน้อยลงเอาแค่รถราคาหนึ่งล้านนี่เราก็จะทุกน้อยลงในการหาซัพเพอร์จะซื้อนะใช่ไหมอันนี้คือถ้าความอยากเราน้อยลงเราก็ดิ้นหนนน้อยลงถ้าความอยากหมดไปก็ความดินหน้นก็หมดไปเช่นเดียวกันอันนี้เป็นตัวอย่างในเรื่องของวัตถุเฉยเฉยนะเรื่องของนามธรรมก็เหมือนกันนะเรื่องของนามธรรมก็เช่นเดียวกัน บางทีเรามีความอยากอยากให้คนอื่นชื่นชมนะอยากให้คนอื่นรัดนะอยากเป็นที่รักของคนอื่นบ้างนะหรือว่าอยากที่จะได้แต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตอยากที่ได้ความสุขความสงบอันนี้ก็เป็นสิ่งนามธรรมบาง ท, ทีเราก็ไม่ค่อยรู้ตัวนะบางทีเราทําอะไรลงไปก็เพื่อเพื่อสนองความอยากในใจนะอยากจะเป็นอะไรสักอย่างนะอยากจะเป็น อะไรให้ใครรู้สึกว่าเรามีคุณค่าบ้างนะอันนี้ก็ไม่ใช่เรื่องที่ผิดแต่ขอให้ตระหนักรู้ว่าบางทีความอยากมันพาเราไปแต่เราอย่าไปคาดหวังหรือว่าไปยึดความอยากคนนั้นนะเพราะถ้าเรายึดแล้วเช่นเราทําดีกับคนอื่นแต่เขาไม่เห็นความดีของเราเขากลับมาตามําหนิติดขินนินทาเราเราก็ทุกข์นะแต่ถ้าเราแค่พอใจว่าเราทําดีมันก็จบนะไม่ใช่ไปพอใจว่าต้องมีคนอื่นมาชมเรา ถ, ถึงจะจบไม่ใช่นะพอใจแค่ทําดีจบแล้วเนะี่ยถ้าทําแบบนี้ได้นะชีวิตก็จะเบามากขึ้นเรื่อยเรื่อยเลยนะเพราะว่าเราฝึกแค่การนะทําไม่ได้ไปสุกที่ความความคาดบังหรือว่าความอยากอันนี้สติสมบัติชัญญะหรือว่าการฝึกปฏิบาททาัติธรรมนี่จะช่วยให้พวกเรารู้เท่าทันว่าอะไรทําให้เกิดเป็นความทุกข์ใจแก่เรานะความทุกข์กายบางอย่างเนี่ยอาศัยสติดูได้บ้าง แตบางทต้องอาศัยหมอช่วยดูนะเพราะว่าโรคภัยไข้เจ็บหรือว่าความรู้บางทีเราก็มีไม่พอนะแต่ความทุกข์ที่เกิดขึ้นกับจิตใจเนี่ยสนะติปัญญาในการสุกผลดีแล้วนะมันช่วยให้เราเห็นไล้ว่ามันสามารถปลดเครื่องได้เลยว่าความทุกข์มันเกิดจากอะไรนะเกิดจากความอยากมีอยากได้อยากเป็นบ้างนะหรือว่าความไม่อยากมีไม่อยากได้ไม่อยากเป็นบ้างนะมันตรงนี้เองทําให้เกิดเป็นความทุกข์ เมื่อเรารู้นะเราจะสามารถปลดปล่อยมันออกไปได้นะจากจิตจากใจนี่แหละยิ่งปลดปล่อยได้มากเท่าไหนะร่นั้นมันจะยิ่งรู้สึกว่าเบาสบายมากขึ้นเพรานั้น <c oughs> คล้ายๆแบบเมื่อเหมือนกับการเดินทางอย่างคุณโยวอาจจะไม่อาจจะเคยเดินเท้าแบบระยะไกลหรือเปล่านะเดินเท้าที่ต้องแบกสัมภาระเองนะอย่างพระนี่นก็จะมีการพูดดมนะพูดดมซื้อถือกดซื้อบาท แบกไปเองบ้างสลายไปบ้างหรือแม้ยังคล้ายๆอาจารย์ประมวลเมื่อคืน่ะเขาก็เดินจากเชียงใหม่ไปสุราษฎร์โดยมีเป้ดึงดใบถ้าใครเคยทําแบบนั้นนะจะเห็นได้ว่าถ้าเราต้องไปเดินตลอดเวลานะแล้วก็ต้องไปค้างคืนต้องแบกสัมภาระเองจะเห็นได้ว่าอะไรเป็สิ่งจำเป็นในชีวิตไมใหม่นี่มันจะแบกไปเยอะมันจะเอาไปเยอะคิดว่าอะไรก็จําเป็นอะไรก็น่าจะได้ใช้นะ แต่พอแบกไปหนึ่งครึ่งวันนี่ก็จะเริ่มรู้ว่ามันเริ่มหนักนะขึ้นครั้งแรกก็หนักติดหน่อยพอทนได้แต่ถ้าเดินไปเป็นชั่วโมงหรือว่าครึ่งวันจะเห็นได้ว่ามันหนักมากนะถ้าต้องใช้คลิปแบบนั้นตื่นเดือนนะจะรู้ว่าเออถ้าจะแบกแบบนี้ทั้งเดือนเนี่ยไม่ไหวแน่มันะจะค่อยๆคันนี้พอวันหนึ่งสองวันก็เริ่มคัดแล้วว่าอะไรไม่จําเป็นจะส่งกลับไปหรือว่าไม่งั้นก็ปล่อจากออกไปข้างนอกนะ มันก็เหลือแค่ของจําเป็นในชีวิตนะอะมันก็จะเบาขึ้นเรื่อยๆอันเนี้ยถ้าเราเห็นว่าเราแบกอะไรที่มันไม่จําเป็นในชีวิตนะมันก็จะค่อยๆปลดป่อยออกไปจากชีวิตเรานะอาจจะไม่ใช่เป้ที่แบกที่หลังแต่มันเป็นเป้ที่มันแบกในใจของเราเนี่ยแหละนะใจของเราที่มันแบกอะไรทําให้เกิดความทุกข์มันจะเห็นตัวนั้นแหละนะมันจะค่อยออกไปออกไปออกไปอย่งที่มันเบามันสบายนะ มันจะเอาแค่ตัวที่มันจําเป็นในชีวิตเอามาใช้เฉยเนะแบกนะแบกอะไรใหม่ใหม่ก็ต้องแบกนะมันอาจจะอาจจะไม่พูดว่าแบกอ่ะแต่ต้องรักษาต้องประคองต้องใช้เขาต้องทนุถนอมเขาใช้เพื่ออะไรใช้เพื่อข้างฟากนะพระเจ้าเจ้านบอกว่านะการที่เราได้มีชีวิตอยู่นะก็เพื่อใช้ชีวิตนี้เพื่อข้ามฟังเปรียบเสมือนว่าเราใช้พ่วงแพร เพื่อข้างฝั่งนะเมื่อถึงฝั่งแล้วก็ขึ้นฝัง่งไปการที่เราใช้ชีวิตก็คือร่างกายก็ดีนะหรือว่าใช้ธรรมะนะฝ่ายอุศนก็ดีก็เพื่อข้ามป้านะเราจะกาวไปใหญ่แต่พอเมื่อข้ามฟ้าแล้วก็ต้องทิ้งสิ่งต่างๆเหล่ า, านี้จนะก่าวไปใหญ่ในเมื่ออกุศลธรรมเราก็ต้องรักเช่นเดียวกันในเมื่อกุศลธรรมก็เป็นเหมือนแค่พ่วงแพเท่านั้นนะ แต่อสุพจนธรรมก็ต้องระเช่นเดียวกันละตั้งแต่ตอนแรกแหละเพราะมันเป็นสิ่งลบลงลังก็คือคล้ายๆว่าใหม่ๆนะฝ่ายสุพจนหรือว่าธรรมะนะก็ต้องป ร, รงับครองราาก็ต้องรักษาก็ต้องดูแลเขาเพื่อให้เขาขาดข้างฝั่งไปไม่ได้นะแต่พอเมื่อข้างฝั่งแล้วก็ต้องสลัดทิ้งทั้งหมดทัด้งนั้นนะธรรมะฝ่ายฝ่ายที่เรียกเป็นสุพจต่างๆนะสติปัญญากีก่ดีสมาธิสติปัญญาก็ดี จะบอกว่าไม่รักษาไม่ดูนะก็ไม่ได้นะก็ต้องรักษาก็ต้องดูแลเขาศิ้นใหม่ๆก็ต้องดูแลต้องรักษาเขาต้องปรับของไว้นะเพราะว่าสิ้นช่วยให้เราเกิดเป็นความเป็นปกติทางกายทางวัชชาแล้วก็อาจจะส่งผลต่อเรื่องความปกติทางจิตใจด้วยนะก็ต้องรักษาแต่ม i, ไม่ใช่รักษาแบบแค่แบบเคร่งคดแบบเคร่งเครียดทําผิดแล้วก็มองไปเป็นเดือนเป็นปีก็ไม่ใช่นะ ต้องรักษาแบบฉลาดมีปัญญาด้วยการทําสมาธิการเจริญปัญญาก็เช่นเดียวกันก็ต้องทําไปแบบสบายๆไม่ใช่ไปตั้งใจจะรักษาตั้งใจจะประคองตลอดเวลาไม่ใช่นะไม่ใช่แบบนั้นไม่เหมือนครับไม่เหมือนกับคล้ายๆเราต้องประคองอะไรสักอย่างแบบเราเคยประคองแบบคุยนุ่นไหมแต่ก่อนเคยเล่นกันเด็กๆเวลาถ้ามี นู่นมันลอยมานี่จะจะไปจับนะไปจับแล้วก็แบบประคองไว้ให้มันอยู่ในมืนอตลอดเวลาแต่เราก็จะเห็นนะว่าเออถ้าทําแบบนั้นนะมันประคองไม่ไม่ได้นานหรอกเพราะว่าคุยนู่นนู่นฟิวมันหายไปไม่บ่อยนะอันนี้ก็เหมือนกันนะก็ไม่ถึงเราต้องประคองแบบแบบนั้นแต่ก็ต้องระวังนะระวังทำยังไงถึงจะไม่ขาดสติทํายังไงถึงจะเรียกว่าเป็นการ สัรวมตาหมหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ใจบางเรื่องบางอย่างไม่พอดูก็ไม่ต้องดูบางเรื่องบางอย่างไม่พอฟังก็ไม่ต้องไปฟังบางเรื่องบางอย่างไม่ต้องไปคิดก็ไม่ต้องไปคิดอะไรประมาณนะี้อันนี้คือการสํารวมระ้วบางเปการประรอบไม่ใช่ว่าไม่ใช่ตาหูจมูกลิ้นกายใจแต่ใช้ในทางที่ดูว่าถ้าใช้แบบนี้แล้วมันเกิดความหลงมากกว่าใช่ไหมเช่นแต่ก่อนโอ้ถ้าชอไปดูหนังเนี่ยหนังตี๋ ตีดนฟังแทลงกันเนี่ยโอ้มันหลงทางานเลยนะอืมหรือว่าเพลงที่มันแบบเพลงที่มันแบบกระเทือนเพลงที่มันแบบปลุกเราให้ไปเศร้ามากกว่าเก่าเนี่ยบางคน อ, อกหักนี่ก็ชอบฟังเพลงที่เขา อ, อกหักนะก็ยิ่งเศร้าไปมากกวเก่านะมันเป็นอะไรที่บางทีเราก็ไม่รู้ตัวว่าสิ่งที่เราทํามันเ พ, มมพเพิ่มความุกเพิ่มความเรียกว่าอาทับให้หลงมากกว่าเก่านะ เนี่ยอันนี้คือสิ่งที่ถ้าเรารู้แล้วอันเนี้ยคือสิ่งที่เราต้องประคองคือแบบนี้ก็คือเสิยงแค่ว่าสํารวมตาหูจมูกลิ้นกายใจมากขึ้นนิดนึงนะเพืนะ่อเพืนะ่ออะไรเพื่อจะได้ไม่ไม่สร้างเขตให้เกิดทุกข์เข้ามามากขึ้นแต่อีกอย่างหนึ่งก็ต้องมีสติคอยรู้เข้าทันว่าอะไรที่มันแบกไว้ก่อนหน้านั้นก็จะได้ปลดปล่อยมันออกได้นะสติมันจะค่อยๆปลดปล่อยนะสิ่งที่แบกไว้ในใจเนยะมันออกไปให้ได้ มันจะเห็นน้ว่าอะไรที่มันเป็นกิเลสอะไรที่มันเป็นสัญญาณที่มันฝังในจิตใจของเรานะมันจะค่อยๆปรากฏตัวหเห็นทีละขั้งทีละขั้งนะเห็นว่าเออความอิจฉาเกิดขึ้นกับใจอีกแล้วนะเดี๋ยวก็ความเห็นคนนั้นดีกว่าได้ ย, ยินคนนี้ดีกว่ารู้สึกว่าเขาดีกว่าเราแล้วก็อิจฉาเขาอยู่แล้วเห็นความอิจฉาเกิดขึ้นในใจบ่ อ, อ, บอยๆนะ บางทีก็เห็นความโลภนะเห็นคนอื่นมีมากกว่าเห็นคนอื่นมีคนกันนักเถืนมากกว่าเราก็โลภอยากจะได้แบบเขาก็มีเหมือนกันหรือว่าเห็นความหลงที่มันเกิดขึ้นในจิตใจของเราสลงทางตาทางหูทางจมูกว่าโอ้หลงทข้ามาทันทีมันจะเห็นบ่อยนะแอสิ่งต่างต่าง น, นะถ้าเรามีสิเราจะเห็นว่าไอกิเลสมันต้อนอยู่ในใจจริงๆถ้าเรามีรู้เท่าทันใจของเรานะเราจะไม่เห็นเลย มันออกมาจากใจนี่ออกมาทีละตัวก็จริงนะแต่มันออกมาบ่อยออกมาทีบางตัวที่เราคิดว่ามันไม่มีตอนนี้มันไม่มีแต่ถ้าภาพพอมันเจออะไรที่มันกระทบสัมผัสแล้วมันก็โผล่ขึ้นมาจะเห็นเนี่ยว่าที่เขาบอกกิเลสตันห้ากิเลสพันห้าตันหาร้อยแปดเนี่ยมันมีจริงๆแบบนั้นมันอาจจะไม่แยกนับจำนวนขนาดนั้นแต่มันมีมากมายจริงๆไอ้ที่เรารู้สึกว่ามัน ไม่มีไม่ใช่เรามันก็มีเหมือนกันแต่มันยังไม่เกิดขึ้นมาให้เห็นเท่านั้นบางทีเกิดขึ้นมาให้เห็นแต่เราไม่รู้เท่านั้นแต่ถ้าเรามีสติมีสมาธิมีปัญญามากขึ้นจะเห็นสิ่งต่างเนี้ยละเอียดมากขึ้นนเห็นมากมายเลยเห็นแล้วก็ถ้าเห็นแบบมีสตินะมันจะเห็นแบบไม่เข้าใจเป็นมันจะเห็นแล้วก็หยุดอยู่แค่การเห็นเห็นแล้วก็ทิ้งมันไปเห็นแล้วก็ทิ้งมันไปเห็นแล้วก็ทิ้งมันไปทิ้ง มันก็จะค่อยๆสะอาดมากขึ้นค่อยๆว่างมากขึ้นะค่อยๆวางมากขึ้นอันเนี oh ้คือการเห็นแบบมีปัญญาเห็นแล้วไม่เข้าไปเอาอันนี้พูดถึงฝ่ายกิเลสนะพูดถึงฝ่ายธรรมะก็เหมือนกันนะก็ไม่ใช่ว่าพอเห็นธรรมะเกิดขึ้นก็จะไปเอาเช่นเดียวกันนะก็ไม่ใช่ธรรมะเกิดขึ้นก็แค่รู้ว่าเขาเกิดขึ้นไม่เอาเหมือนกันะธรรมะไม่มันจะดีขนาดไหนแต่มันก็หนักนะแต่มันก็หนัก มันก็ต้องเรีว่าเอาแค่ใช้พอประมาณมันอย่างเมื่อตอนเมื่อตอ น, น, ตอนปลายปีที่แล้วนะก็ได้ไปชุดดงเวลาไปชุดดงเราก็ไม่แบกไม่แบกเข้าปลาอาหารไปด้วยนะก็จะบอกกลุ่มที่ไปทุดดงในกันว่าแต่ละวัาานนะเราบินทบาทได้ขนาดไหนเราเอาแค่พอฉันที่เหลือให้แจกจ่ายย่าโยนไปอย่าไปแบกต่อไปแม้ของบางอย่าง ม, มันจะน่าเก็บไปเช่นสมมติ บางวันที่บินธบาตได้มามากเป็นอายจีบห่อกินมก็ไม่หมดกินไม่ะก็จะแบกไปวันดังก็ไม่ต้องเอาเพราะเป็นภาระแม้มันจะเป็นของจําเป็นถืงนมน้ำปลาละบางอย่างเนะเออบางวันก็ได้เยอะบางวันก็ไม่ได้วันไหนที่ได้เยอะก็จะคิดถึงวันที่ไม่ได้ก็จะแบกไปเผื่อวันที่ไม่ได้นะ้นแต่ก็ให้รู้เลยว่าการแบกแบบนั้น่ะมันหนักนะ ดันั้นมันก็เปรียบเทียบกับบางทีความดีหรือว่ า, าสิ่งดีๆที่เราอยากจะแบกไว้บางทีมันก็หนักเหมือนกันแต่้ความดีหรือว่าคุณธรรมนี่มันไม่ต้องแบกแต่ถ้าเรามีบ่อยๆนะมันเอามาใช้ได้เลยไม่ต้องรอให้คนอื่นให้นะมามา่าข้าวปล า, ปาอาหารต่างๆปัจจัยภายนอกนี่เป็นพระนะเวลาุดลมก็ต้องให้คนอื่นเข้าให้แต่คุณธรรมภายในใจหรือว่า คุณธรรมที่จะทำให้ชีวิตมันทุกข์น้อยลงชีวิตมีความสุขมากขึ้นเลยนะไม่ต้องรอให้คนอื่นให้แต่มันจะมีโรงงานผลิตในใจของเราได้เองนะมันจะสามารถผลิตความสุขได้บ่อยขึ้นสามารถผลิตความสงบได้มากขึ้นสามารถผลิตความรู้ที่จะปล่อยวางต่งต่างได้นะมากขึ้นแล้วก็บ่อยๆเลยซ้ำนะต่างต่างเนียไม่จำเป็นต้องแบบแต่มันจะรู้ว่าเราจะผลิตแบบไหน รู้ว่าทําอย่างไรถึงจะเกิดสิ่งเหล่า น, นี้ขึ้นมาเป็นจิตใจของเรามันจะรู้หนทางเนะี่ยก็คือรู้วิธีการที่จะทําชีวิตให้มีความสุขรู้วิธีการที่จะกดเพื่องความทุกข์อันนี้แหละคือสิ่งที่ในการปฏิบัติธรรมพูดมาเยอะแยะมากมายนะมันเริ่มต้นจากที่ไหนเริ่มต้นจากการที่รู้จักตัวเองนี่แหละทํำไงที่จะรู้จักตัวเองอนนะี้มันคือการเริ่มต้นนะไม่ใช่เริ่มต้นที่ขันฟัง แต่เป็นการเริ่มต้นที่จะทำเลยก็ถึงจะรู้จักตัวเองให้ได้มากที่สุดรู้เท่าทันกายและใจตัวเองให้มากที่สุดนี่เป็นการเริ่มต้นแล้วต่อไปเรื่อยๆเนี่ยมันเป็นผลมันเป็นผลจากการเริ่มต้นที่ดีแต่เริ่มต้นที่ดีแล้วก็ต้องทําต่อไปเรื่อยๆมันจะเกิดเกิดผลมากขึ้นไปเรื่อยๆเนาะก็ให้พวกเราลองตั้งใจที่จะเริ่มต้นในการที่จะกลับมาดูตัวเองให้มากที่สุดเนาะ บางคนก็เริ่มต้นมาหลายปีแล้วนะแต่บางทีก็ล้มลุกทุกขนะานทำบ้างลูมบ้างลงบ้างกนะ็กลับมาเริ่มต้นใหม่อีกครั้งเนาะมาเริ่มต้นในการดูตัวเองใหม่ในวันนี้ให้มากที่สุดนะเล้ก็จะเห็นว่าอะไรมันเกิดขึ้นกับตัวของเราเองบ้างในวันนี้นะค่อยๆเห็นค่อยๆดูมันไปอย่าพึ่งเชื่ออย่าพึ่งไปปฏิเสธมันแค่รู้มันแล้วก็ลองดู กลับมาอยู่กับกรรมฐานที่เคยแนะนํากันไว้ก็คือกลับมาดูกายดูใจของตัวเองบ่อยๆนหะรือว่าอะไรเกิดขึ้นในกายในใจนี้นะเราก็จะเห็นหนทางที่จะทําให้ชีวิต ม, มีความสุขมากขึ้นเห็นหนทางที่จะกดเพิ่มความทุกจากจิตใจของเราไห้มากขึ้นนะับถ้าคราวทีเราได้ตั้งใจในการเรียนรู้กลับมาดูตัวเองกัน